ระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส3สาสุตตันตปิฎกขุทธกานิกายพุทธวังสักวงแห่งพระพุทธเจ้าในเรื่องพุทธวงนี้แบ่งออกเป็น28หัวข้อใหญ่คือหัวข้อแรกว่าด้วยรัตนจงกรมคือที่จงกรมแก้วอันเป็นที่เสด็จจงกรมจงกรมคือการเดินกลับไปมา มีสติสัมปชัญญะส่วนหัวข้อที่สองถึงที่26ว่าด้วยพระพุทธเจ้า25้าพระองค์เริ่มตั้งแต่พระทีปังกรจนถึงพระโคโดมเป็นที่สุดหัวข้อที่27ว่าด้วยปกินนกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหัวข้อที่28ว่าด้วยการแจกพระบรมสารีริกาธาตุซึ่งจะกล่าวตามลำดับหัวข้อต่อไปโดยสังเขป รัตนะจังกรรมะกันหมวดว่าด้วยที่จงกรมแก้วเป็นคำฉันพันนาเหตุการณ์เมื่อเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาณกรุงกบินลพัดตรัสแสดงธรรมเรื่องเวสันดรชาดกเสร็จแล้วจึงทรงนิรมิตรเรือนแก้วเสด็จจงกรมแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นว่าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมาในอดีตการอย่างไร เรื่องนี้อาจถอดความได้ว่าทรงแสดงธรรมชัดเจนอย่างปาฏิหาริเห็นจริงเห็นจังว่าได้ทรงบรรลุผลดีไม่ใช่อย่างลอยๆแต่ต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างมากมายอันแสดงหลักการที่สําคัญแห่งพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่ได้มีการได้ดีใดๆเกิดขึ้นโดยบังเอิญทีปังกรพุทธวงศพุทธวงศที่หนึ่ง วงแห่งพระธิปังกรพุทธเจ้าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นสุเมทะดาบทช่วยชาวบ้านทำทางให้พระทิปังกรพุทธเจ้าเสด็จผ่านมีที่เหลืออยู่อีกหน่อยที่ยังทำทางไม่เสร็จด้วยศรัทธาสุเมทดาบทจึงลงนอนทับโคลนให้พระพุทธเจ้าร้อมทั้งพระสาวกเสด็จและเดินเหยียบข้ามไปแล้วได้รับพยากรณ์ว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมต่อจากนั้นแสดงรายละเอียดเฉพาะพระทีปังกรพุทธเจ้าโกณทัญญะพุทธวงศ์พุทธวงศ์ที่สองวงแห่งพระโกณทัญญะพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคดมพุทธเจ้าได้เคยเป็นกษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวีได้ถวายทานแด่พระโกณทัญญะพุทธเจ้าและได้รับพยากร ต่อจากนั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระโกนทัญญพุทธเจ้ามังคละพุทธวงศ์พุทธวงศ์ที่สามวงแห่งพระมังคละพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคโดมพุทธเจ้าเป็นพรามมีนามว่าสุรุจิได้บูชาพระมังคละพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และถวายน้ำนมโคให้ดื่มก็ได้รับพยากร ต่อจากนั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระมังคลาพุทธเจ้าสุมาณพุทธวงศ์พุทธวงศ์ที่สวงแห่งพระสุมาณพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคดมพุทธเจ้าเป็นอัตุลนาคราชได้ถวายข้าวน้ําและผ้าคู่แด่พระสุมาณพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และได้รับพยากรณต่อจากนั้น แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระสุมาณะพุทธเจ้าเรวตะพุทธวงศพุทธวงศที่ห้าวงแห่งพระเรวตะพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคดมพุทธเจ้าเป็นพราหมณนามว่าอติเทวะได้ถึงพระเรวัตพุทธเจ้าเป็นสารณะได้ชมเชยพระคุณคือศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น และได้ถวายทานอันยอดเยี่ยมได้รับพยากรต่อจากนั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเรวตตพุทธเจ้าโสพิตะพุทธวงศพุทธวงศที่หวงแห่งพระโสพิตะพุทธเจ้าสมัยนั้นพระโคดมพุทธเจ้าเป็นพระนามวาสุชาตะได้ถวายข้าวน้ำแด่พระโสพิตตะพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวก และได้รับพยากรข้อความเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวพระนามนั้นมีกล่าวไว้ทุกแห่งต่อไปจะไม่กล่าวถึงเป็นอันทราบกันว่ามีรายละเอียดกล่าวไว้ทุกพระองค์และพระโคดมพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญความดีพร้อมทั้งได้รับพยากรทุกครั้งอนโนมัตสีพุทธวงศ์ที่เจ วงแห่งพระอนุมัติสีพุทธเจ้าปทุมะพุทธวงที่8วงแห่งพระปทุมะพุทธเจ้านาราทะพุทธวงที่เกวงแห่งพระนาราทะพุทธเจ้าปทุมุตตะพุทธวงที่สิบวงแห่งพระปทุมุตตะพุทธเจ้าสุเมทะพุทธวงที่สิอวงแห่งพระสุเมทะพุทธเจ้าสุชาตพุทธวงที่1ิบสอง วงแห่งพระสุชาตะพุทธเจ้าปิยทัตสีพุทธวงศ์ที่13าวงแห่งพระปิยทัตสีพุทธเจ้าอัฏฐทัตสีพุทธวงศ์ที่ส4วงแห่งพระอัฏฐทัตสีพุทธเจ้าธรรมทัตสีพุทธวงศ์ที่ส5หวงแห่งพระธรรมทัตสีพุทธเจ้าสิทธะพุทธวงศ์ที่16ห วงแห่งพระสิทธัตถะพุทธเจ้าสำหรับชื่อนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคนละพระองค์กับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะครับองค์ปัจจุบันชื่อพระโคดมพุทธเจ้าส่วนสิทธัตถะนั่นคือชื่อสมัยท่านยังเป็นเจ้าชายนะครับติดสัพพุทธวงที่17วงแห่งพระติดสัพพุทธเจ้าอุตสพุทธวงที่18วงแห่งพระอุตสพพุทธเจ้า วิปัสสิพุทธวงศ์ที่19วงแห่งพระปัสสีพุทธเจ้าสิกขิพุทธวงศ์ที่20สวงแห่งพระสิกขิพุทธเจ้าเวสภูพุทธวงศ์ที่21วงแห่งพระเวสภูพุทธเจ้ากุ ก, กุสันทพุทธวงศ์ที่22วงแห่งพระกุ ก, กุสันทพุทธเจ้า สำหรับพระนามนี้ในที่อื่นใช้คำว่ากักุสันทะโกนาคามณะพุทธวงศ์ที่23วงแห่งพระโกนาคามณะพุทธเจ้ากัสปะพุทธวงศ์ที่24วงแห่งพระกัสปะพุทธเจ้าโคตมะพุทธวงศ์ที่25วงแห่งพระโคดมพุทธเจ้าสำหรับข้อนี้มีข้อความแสดงการแสดงธรรม การประชุมพระสาวกพระนามพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาและพระนามพระสาวกที่สําคัญเนื้อหาส่วนต่อไปคือเรื่องพุทธปกินะกะกันหมวดเบตเตเล็ตเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแสดงว่าในกัปไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนทรงอุบัติบ้างในตอนต้นได้แสดงว่าในกัปเดียวกับราธีปังกรพุทธเจ้าคือพระองค์ที่หนึ่งในพุทธวงศ์นั้น ยังมีพระพุทธเจ้าอีกสามพระองค์รวมเป็นสี่คือพระตันหังกรพระเมธังกรพระสระนังกรต่อจากนั้นจึงถึงพระทีปังกรพุทธเจ้าอันแสดงว่าทั้งสามพระองค์นั้นมีมาก่อนพระองค์แรกในพุทธวงศ์ยี่สิบห้าพระองค์ซึ่งความจริงตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าในอดีตมีมากนับจานวนไม่ได้ ในเล่มนี้แสดงพระนามไว้ยี่สิบแปดพระองค์ทาตุาชนียกถาแสดงว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคปรินิพานแล้วได้มีการแจกพระาธาตุไปไว้ในที่ต่างๆคือหนึ่งในนครของพระเจ้าอาชาติศัตรูคือกรุงราชกฤชสในกรุงเวสาลีสา ในกรุงกบิลพัทสี 4. ในแคว้นอันลกัปปะ 5. ในรามคาม 6. ในแคว้นเวททีปกะกในกรุงปาวาแห่งกษัตริย์มัลละ 8. ในกรุงกุสินารารวมเป็นพระเจดีย์บรรจุพระอัถิ8แห่ง โทนพรามได้นำทนานสำหรับตักแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุสถูปเรียกว่าตุม พ, พระเจดีแปลว่าพระเจดีทนานโมริยะกษัตริย์ได้ขอรับพระอังคารคือเท่าทานไปบรรจุเป็นอังคารสถูปนอกจากนั้นยังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเคี้ยวแก้วพระทนพระเกศพระโลมา และพุทธบริคารต่างๆ